โยมที่จะกราบนรมกาการลากับประสงค์ละตัณใจที่สู่คือหาทถานบ้านของทันเริ่มต้นในวันนี้นั่นตาจนมจาเจริญกรรมฐานที่จะได้ผลนั่น จิตใจน้อมนึกเลยทถึงคุณพระศรีรัตนใจน้อมนำถึงคุณพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมที่ในจิตใจของท่านทั้งหลายพระธรรมคําสอนของพระองค์ทุกอย่างตามพระธรรมวินัยและเรามาด้วยความตั้งใจเมื่อปฏิบัติธรรม กิจกรรมก็มีประโยชน์จิตใจจะอ่อนน้อมไปในสุนในทางดีในทางที่เรามีปัญญาเท่านั้นความดำเนินชีวิตในรูปแบบหรือความเจริญในชีวิตนั้นก็อยู่ในสภาวะธรรมอันนี้การปฏิบัติธรรมที่ทำได้จะดูลักษณะขงคนี่มีธรรมะได้ จะมีผิวพันุ์ของสายในในภายในและจะแสดงออกในภายนอกคือลูปประทรมนามธรร ม, าามนั่นก็เรียกว่ารัตนตรยัยมีอยู่ในจิตใจของท่านได้มาไดา้ท่านถึงจะได้รับผลอนิสงานั้นเรามาเจริญกุศลภาวนาจะเป็นเวลาเท่าใดก็ตาม ที่กล่าวไว้มาวานและชัดการกำหนดจุดตั้งสตินี้ทำได้ยากมากไม่ใช่ว่าหายใจเข้ารูหายใจออกรูพองหนอยุบหนอก็ยังทำกันไม่ได้เป็นส่วนมากและตั้งสติไว้ปากลงไปหยับีิะก็ยังทำกันได้ยากไปพิจารณาตาหูจมูกอะไรกันไป แดงมโนภาพผิดแรกแตกกันไปการที่ยืนนั้นเราต้องการให้รู้ว่าตัวยืนอยู่ตั้งสติให้มันชัดให้มันอยู่กับจิตสติเราก็จะดีขึ้นนมืสติดีกับจิตจิตมันก็แจ่มใสขึ้นปัญญามันก็เกิดขึ้น ปัญญาตัวนี้นะ่ะมันฝ่ายทั้งโลกุตละและฝ่ายโลกิยะมีทั้งการศึกษามีทั้งการประสบปัญหามันจะพร้อมกันไปอยู่ขณะปัจจุบันนั้นซึ่งจะได้ผลไม่ใช่ว่าเราจะมาหลับตาหลับหูเฉยๆเราก็ต้องการจะตั้งสติการตั้งสตินี่ทำยากมาก เราจะมีความระลึกถึงชีวิต เ, เราเล็กถึงข้อคิดเราถึงถึงอดีตและอนาคตบางสองประการนั้นถ้าโดยวิธีปฏิบัติก็เอาปัจจุบันเป็นข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติได้ดีแล้วอดีตกอนาคตมันก็แจ่มใสทำอะไรก็ดีขึ้นตรงนี้เป็นหลักปฏิบัติ ที่เรามีสติฉันระชัญญะนี่ทำยากถ้าเราก็หนดได้มันจะง่ายลงไปเราจะดูกิยามารยาของคนผู้ปฏิบัติที่มีธรรมะประจําจิตนั้นจะเรียบร้อยจะทําอะไรก็คล้อยตามอ่อนน้อมไปหมดทําอะไรก็มีระบบระเบียบในจิตของเขาชีวิตนี้เน่ะ ถึงจะมีราคามีค่าขึ้นแต่หากว่าขาดข้อนี้ไปชีวิตก็ไร้ค่าเวลาไปก็เสียประโยชน์ในเวลามากมายไม่เกิดประโยชน์ในเวลาแล้วคิดมากจะคิดออกไปนอกลู่นอกทางคิดว่าตามอารมณ์คิดว่าเราทำถูกแล้วพอจะจึงผิดลงผิดเลย เรามีสติดีมีสัมปชัญญะดีจำเนึกถึงชีวิตด้ว่าชีวิตนี้มาจากอย่างไรมาจากกำเนิดเกิดของบิดามันดามาประสบพบครูวิชาการมาประสบพบอุปการะผู้ที่มีบุปการีนี่เราจะได้สร้างความดีโดยการกรตัญญูกต ว, วิธิกาธรรมหายากมาก พระพุทธเจา้าสอนนักสอนหนาว่าคนหายากในโลกทั้งโลกจะมีน้อยมากส้องขับคนที่รู้ถึงย อ, ยะะอุปการลีเคยอุปลอุปการละมาก่อนแต่สนองประเด็จปะกู น, นั่นหายากมากถ้าคนที่มีธรรมะซึ้งมีสติดีถึงการกำหนดตั้งแต่เริ่มยืนหนอเป็นต้น แต่ถ้าเาจะมาทังเกตมาไม่มีใครทําได้เลยอยู่สร้างสติไว้ให้จิตลูกพันให้ได้ยืนหน่อลงไปนั้นกลับไปทิจารณาอะไรถึงก็ไม่รู้เลยก็ไม่รู้จริงมันรู้กันเจนเกิ น, นรู้แต่อารมณ์ของตนรู้แต่ใจของตนเอาแต่น้เพลน้นําใจของตนตลอดเหตการ เลยก็กลายเป็นคนมากง่ายมากได้ไปออกมาทำลองนี้ชัดเจนคนที่รู้จริงตั้งสติไวการกำหนดสภาวธรรมก็คือต้องการให้กิจกรรมของจุฑานี้มีสติยืนหน่ห้าครั้งเบื้องต่มเบื้องบนที่อธิบายแล้วนั้นสถานทั้งหลายทำได้ ฉันจะรู้ชีวิตของท่านเองว่าชีวิตเรานี่เกิดมาทำไมได้ประโยชน์ตรงไหนกับชีวิตในปีประจำวันบ้างเราก็จะได้เข้าไปซชื้อง ใ, ใจตรงนี้เป็นหลักใหญ่แต่เราทำไม่ได้กันไอ้ผลนั่นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นคนมีทิฐิเดียดฉันในชีวิตทำลายชีวิตของตอน ทำลายความดีของตนเองไม่ใช่คนอื่นมาทำลายแจ่ประการได้ยืน่นนอลงไปก็ไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วก็ไม่ใช่เป็นของยากแต่เราพยายามทำไปตลอดนะมันจะรู้เองว่าชีวิตเราเนี่ยมีก่ญชารตรงไหนบ้างควรจะใช้ชีวิตเยเป็นประโยชน์ในกิจประจำวันอะไรบ้างมันจะบอกเราเองได้ชัดเจน แต่ก็ยังไม่มีใครทำได้หมวจะไปยืนพิจารณาอะไรกันก็ไม่ทราบไอ้คาว่ามโนภาพตีปัญหาผิดเข้าใจว่าตัวเองนะ่ะมีตามีหูลงไปมีสดือ ม, มีเขา่ามีข า, ขาเข้าใจผิดให้คำว่ามนโนภาพในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเรายืนอยู่สภาพชีวิตเป็นอย่างนี้ล้วนอ มีกายกับจิตมีลูกกับนามขณะยืนเท่านั้นก็ตั้งสติลงไปจิตเปลี่ยนไปยืนหรอแต่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจเยอะสอนให้เขาไม่เข้าใจตาใหม่ๆยังไม่สามารถจะถอนลมหายใจหรือจะไม่เข้าใจยืน ถึงเธอดิงอาจจะถอนหายใจออกแล้วก็หนอออกไปให้ยาวถึงปลายเท้าสาหรับผู้ที่ไม่เคยแล้วมันก็จะคุ้นต่อการกำหนดยืนหนอต่แต่ปลายเท้าขึ้นมาก็กำหนดสมรวมที่เท้าแล้วก็ตังสติีไว้ที่กีดนั้นแล้วก็ยืนขึ้นมา ตางสติขึ้นมายืนถึงเธอดือก็ถอนหายใจออกแล้วก็หนอออกมาทถ้งทุษะนี่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเลยถ้าเราเคยแล้วหายใจก็จะคล่องดีขึ้นในเมื่อหายใจคล่องดีแล้วเราก็กำหนดได้ทันทีว่ายืนนอทีเดียว อันดับสองดินขึ้นม า, าก็กาหนดว่ายืนหนาพอดีอย่างนี้แล้วพลองในเมื่อทำได้เช่นนี้สติก็จิตอยู่ด้วยกันมาได้แต่จะรู้เห็นแก้เห็นจริงขึ้นมาในข้อหนึ่งเดี๋ยวจะไปมองเห็นที่ไหนจะมองใครก็ต่างแต่ทิศละลงไปกลายเท่าขึ้นมาแต่จะรู้ว่าวาระจิตของคนน้านี้ใ้เป็นอย่างไร นิสัยดีหรือไม่ดีมันก็สะท้อนย้อนออกมาเป็นการช้ำผัดคล้าผัดกับติตเราเราจะรู้ได้ว่าคนนั้นนิสัยดีไม่ดีบอกได้อย่างนี้ชัดเจนมากถูกต้องด้วยแต่ท่านทําได้กันบ้างหรือยังถ้าท่านทําไม่ได้ฉันจะไม่รู้ว่าลจิตของคนอื่นว่าเขาต้องการอะไร แต่จิตคนนั้นกําลังไฟต่ำหรือไฟสูงประการใดเราก็จะได้ทราบเราก็ได้แจ้งชัดเจนเข้าไปอีกอการกําหนดประเภทนี้เป็นตน้นไม่ใช่มาปฏิบัติกันได้มัง่งไม่ได้มัง่งปรับไปก็เลิกไม่ได้ใช้สติแม้แต่เวลาเดียวไม่ใช้โอกาสอันดีงามที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันนั้น แค่ทำทั้งหลายจะได้อะไรล่ะจะไม่ได้อะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเลยเลยก็วางเปล่าไปตามอันดับขาดสติสัมปชัญญะไหนเลยเราจะรู้จักวาระจิตของคนได้ตรงนี้จะมาก็จะทำได้ใช้เวลาทั้งสิปีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะทำคลัมมาเลื่ยตอนนี้เรารู้แล้วเข้าใจแล้วต้องทำระบบนี้ ทาไมระบบนี้จะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้ผลทำให้เชื่องทำให้ช้าทำให้เวลามีประโยชน์เถิดมันจะปักเกล้กประเศรษุีจดเพราเราทำได้หครั้งคือการหลับตาพิจารณาตัวเองพิจารณาให้มันท่องแท้ไม่ใช่หมายความว่าไปวิจัยประเมินผลในร่างกายก็ห้ามไม่ได้ ตองการจะให้สติอยู่กับตัวลาวคือ ก, กายนั่นเองเพิ่งกำหนดว่ายืนนอสำรวมทิ่ปลายเท่าให้ได้เอาสติสำรวมสำประชัญญะรู้เอาสถิตามมันก็ตามขึ้นมาว่ายืนหนออย่างนี้ท่านจะได้ผล พอได้ผลแนวก็ละลืมตาขวาอย่างหนอให้ชาสุดๆทำอะไรอย่าเร็วทำลายชาจะได้สติทำลายชาไว้จะได้ปัญญาปัญญาจะได้ออกมาพิจารณาคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทำแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันจะออกมาให้เราทราบได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้น สำหรับหยาบยาบนะความละเอียดยังมีมากกว่า น, นี้พอเราทำได้แล้วเราก็เดินตรงกลมช้าๆไปเรื่อยๆได้กำหนดยืนอยู่กลับหนอกรับหนอให้ช้าที่สุดดูลูกลูน้ำในตัวเองขาน่าลูกน้ำในตัวเองมันจะรู้สภาวะธรรมของตนเอง กลับได้แล้วก็ยืนหนออ้อยห้าครั้งกลับมากรงเส้นบรรทัดแล้วจะขวาย่างท้ายางต่อไปเรียกว่าเสร็จบรรทัดก็ยืนหนออีกห้าครั้งพิจารณาให้สติอยู่กับจิตต่องการให้มีสตินั่นเองเพราจิต ด, ดีมีปัญญารอบรู้ได้แน่รอบรู้โดยเหตุด้วยผล ทำได้ห้าครั้งเราก็ลืมตาเดินต่อไป ช, ะชะ้าๆเราจะเห็นขันห้าลูกน้ำเป็นอารมณ์ออกมาอย่างนี้ชัดแล้วเราก็เดินช้าๆไปอย่าไปเหียวหลอกแอบอย่าไปดูโน่นดูนี่มันเสียอารมณ์มันทำให้เสียอารมณ์ได้ถ้าจิตเราเข้าคานถึงปางป่อถึงปาถิป่เชนก็ให้ไม่ต้องมีความ อย่างนั้นจะเหลียวไหลแลขวาไหลก็สติมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่หลอกแหลกไปตามเจิตที่มันหลอกแหลกอีกแล้วสติก็ดีเกาะจิตแน่นไหนมาจิตแน่นดูสติแล้วทำอะไรก็เกิดผลทำอะไรก็มีมรรคมีผลเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นเราได้กําหนดเวลาก็ออกนั่งลงไปนั่งนอที่เราจะต้องกําหนด ตั้งสติในการนั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้าออกใช่ช้าที่สุดแล ก, ก็ตั้งสติไว้ลมหายใจเข้าออกมันก็บอกได้ชัดหายใจเข้ายาวๆมันจะพองหายใจออกยาวๆมันจะยุบก็ตั้งสติไว้จิตพองยุบนั่นเองก็หมายถึงว่าลมหายใจอยู่ที่ท้อง เราอย่ามาดูจมูกอย่ามาดูลมหายใจที่เข้าออกนั่นไม่ได้มันจะเสียอารมณ์ไปเราก็ดูแต่ท้องว่าพองยาวทุกท่านเท่านั้นหายใจก็กำหนดพองหนอยุบนออย่างนี้เป็นตน้นจะทำได้แล้วก็ได้ผลขั้นนี้มีอะไรจะต้องกำหนด เราก็กำหนดทีละอย่างไม่จนั่งเครียดจนเกินไปมันปวดเมื่อยตรงไหนเป็นเวทนาเราก็เอาสติไปก็จิตปากลงไปปวดหนอปวดห น, อ, ดนอบางคนมานั่งคุยกันยังไม่เคย 2-3 ามนาทีพริกไปพริกมามันปวดโน่นปวดนี่เพราะเขาขาดสตินั่นเอง แล้วเขามีสติดีแล้วไม่ต้องไปพลิกไปพริกมาหรอกมันมีสติอยู่ครบแล้วก็จิตก็ไม่ไปอุปาทานไปยึดมันไปเหนี่ยวมันไว้มันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของมันเองบังคับบัญชาไม่ได้จะบังคับบรรทุงไหนล่ะมันก็บังคับไม่ได้แล้วมันเกิดเองแล้วมันก็สาลายไปเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปตามสภาพของมันอย่างนี้เป็นต้น ยา น, นี้ได้ผลนะี่ไม่ต้องไปทำเอาไปสวรรค์นิพพานพอเราตั้งสติดีแล้วมีความรู้ตัวอยู่เสมอก็จะได้ผลด้า น, นิสงทุงความมุ ม, มาปรารถนาทุกประการออกมาชัดเจนในเมื่อเราเกิดตัวปัญญาตัวสมาธินะ่ก็คือสัมปชัญญะรู้อยู่รู้ซึ้ง เข้าไปถึงจุดมุ่งหมายของตนเองแล้วก็รู้อ่านออบบอกได้นี่เดียว่าตัวปัญญาเราจะได้หลอบรู้สิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ควรจะเห็นส่วนที่จะเป็นไปได้มันจะได้เข้าใจง น, นเมื่อเราเข้าใจแล้วก็จะได้เห็นผลเอเนจสงสมความมุ่งหมายปรารถนาทุกประการคนนั้นจะเข้าถึงธรรมะ เวลากำหนอดอายนาธาอินทรีน่นะเป็นอาการที่ต้องกาหนดโดย บ, บังคับตาเห็นก็กาหนดหูได้ยินเสียงก็กาหนดจมูกได้กลิ่นก็กาหนดมนลับรถก็ก ำ, กำหนดกายช้ำผัสก็กาหนดถ้ากาหนดแล้วถานจะมีจากสติสปัญญาจะทำอะไรก็เรียบร้อยทำอะไรก็คล่องแคล่ว จะไม่เสียงเอเสียงดังทำอะไรก็มีระเบียบเรียบร้อยทุกประการอย่างนี้เกิดขึ้นในธรรมะชีวิตท่านก็จะแจ่มใสเองทำอะไรก็มันจะได้คิดใช้สติปัญญาก่อนเสมอไอ้ตัวกําหนดนี่ต้องการให้เราได้คิดต้องการให้มีสติปัญญาอยู่กับตัวเรานั่นเองตัวเราจะไม่ถอยไปจากสิ่งที่ไร้าสาระ มีชีวิตเป็นแก่นสารตลอดเลยการบางคนขาดธรรมะมันจะมีทิฏฐิจะไม่เอาเนื้อเอาตายเลยจะมีความรู้สึกในใจว่าขีดเกียรติเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะทำการทำงานอะไรเลยไม่อยากให้ได้ผลงานมีแต่การทำลายจิตทำลายใจทำลายตัวเองตลอดเลยการไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราเพราะเราทำตัวเอง มันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายเข้าถึงดังที่กล่าวแล้วในงานท่านจะเข้าถึงท่านจะซึ้งใจท่านจะไฟดีตลอดจะไม่มีไฟชั่วเหมือนแต่ก่อนแล้วจะไฟดีจะมีแต่ความจริงใจและศัทธาจะพูดอะไรก็พูดแต่ความจริงตลอดเวลาการจะกล่าวอะไรก็กล่าวด้วยการละเทศะ จะกล่าววาจาก็กล่าวแต่สิ่งที่เป็นความจริงจะกล่าวออกไปก็กล่าวด้วยสุภาพอ่อนโยนจะกล่าวอะไรก็กล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อกันจะกล่าวอะไรก็กล่าวด้วยความเป็นเมตตาต่อกันจะออกมาในรูปแบบนี้ถึงจะถูกต้องไม่ะชนั้นท่านจะเข้าไมา่ถึงในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้หนาะสำคัญมาก ท่านเข้าถึงมาลายจะซึ้งของท่านเองาจะไฟดีจะสร้างแต่ความดีตลอดจะไม่กลับไปสร้างความชั่วอีกต่อไปแล้วความหมอน ห, หมองในใจก็หายไปล้อลุ่มกุ่มใจก็หายไปไม่แต่ความดีแทนที่อยู่เสมอถ่ายถอนออกไปแล้วเนี่ยถึงจะซึ้งใจ นี่แหลไฟดีจะมีจะฉับ จ, จ, จะมีความริงสแสดงออกเสมอจะไม่เป็นคนเลเพลาดภาพอีกต่อไปแล้วจะไม่เป็นคนหละหลวมเหลวไหลจะเป็นคนผู้ที่มีแกนสารและเนื้อหาสาระกล่าวกาละเทชะถูกต้องตามการเวลาทุกประการจะทำอะไรก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรคนที่ขี้เกียจ คนที่เห็นแต่ตัวนั้นไม่ใช่คนมีธรรมะคนที่ไม่เห็นเห็นแต่ตัวนี้คนลายธรรมะจะขี้เกียจจะเดียดฉันมีแต่อิจฉานิสัยตลอดรายการที่ผ่านมาขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยบางคนเอาแต่ปฏิบัติแต่ไม่ได้อารยมันไม่ซึ้งใจขึ้นมาเลยสักเล็กน้อยจะไม่นึกถึงกะตันยูกตเวชิตาธรรม นี่และตมาพกกล่าวให้โยมฟังภูชาธ ร, รมติดต่อกันไปธรรมะไายช้าใช้โยนิโสมานาจุกา ร, รกรดกรองคำว่ากรองนี่ก็คือสติจัมปัญญาตัวกำหนดกรรมฐานเป็นตัวกรดกรองไม่ใช่ลรวรู้มากมันต้องล้กรองล้กลัน่นลูกแจงรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นเนื้อหาสาระในแก่นสารเหล่านั้น ไม่ใช่รู้ส่งเดชรู้มากไม่เอาเนื้อเอาใาจจาบประการใดเห็นกับตัวตลอดเลการนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเราทำอะไรเนี่ยทำาม่อความยากความลาบากตลอดเลการคนที่มากง่ายมากดดอยางเห็นกับตัวตลอดเลยการก็เกิดผลอะไรหรือมันจะเกิดเสียหายใชีวิตออเขาเองชีวิตเขาจะไม่แจ่มใสชีวิตจะอับเฉา แล้วเข้าไปสู่ในความอับจนจิตจนใจจนสติปัญญาของเขาเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยการปฏิบัติธรรมต้องการจุดนี้เป็นจุดสำคัญอ้อเจริญพรฝากญาติโยมด้วยเราไปเราก็ปฏิบัติของเราเรื่อยไปวันนี้มาที่กุฏิหลายลายทั้งที่เราไม่สบายอยู่ก็ต้องช่วยพอแม่มาร้องโ h มร้องไห้ลูกไม่พูดกับแม่แย่งสมบัติพประาน แล้วก็จะเอาโน่นเอานี้ตลอดการมีที่นี่เป็นประจํานี่หละคนไร้ธรรมะขาจะไปโทษลูกนักก็ไม่ยดีโทษพ่อแม่ที่ไร้ศรัเลี้ยงลูกไม่ได้ผูกพันลูกมันจะด่าให้ทํานองนี่เป็นตน้นแล้วไม่พูกกับพ่อกับแม่เลยมาแล้วร้องโหยมร้องไห้มาหน้าที่ได้มีเป็นประจําที่นี่วันนี้มีอีกสองลาย ที่มาประเภทนี้นะมีอยู่สองลานเหนียนาที่ไายมากประเดียมีกระตันยุกตะเวทิตาธรรมเพราะฉะนั้นคนผู้ปฏิบัติธรรมจึงหายากมีแต่คนที่ไล่ธรรมะไล่เหตุไลผลยังไม่ได้สนใจในหน้าทาีก่การงานของเขาเขาจะกลายเป็นคนมักง่ายมักได้ไปตามชีวิตของเขาเองชีวิตเขาก็จะอับเฉา อับจนต่อตลอดชีวิตชีวิตนี้จะไม่แจ่มใสจะไม่มีหน้ามีตาอีกต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ของเขาเองโดยเฉพาะอย่าโยงกลับไปเข้าฌาตั้งใจฉวดมนภาวนาเถอะไม่มีรายดีกว่านี้แล้วแต่เราไม่สติอยู่กับจิตมีปัญญาแก้ไขปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะได้เอาปัญญาในตัวนีเอาไปแก้ปัญหาเอง เราว่าปัญญาที่เราได้จากในตัวเองเนี่ยหายากต้องเราต้องเสริมต้องสร้างต้องทำด้วยตนเอ ง, งการกรองชีวิตของเราเองชีวิตนี้ถึงจะเป็นแก่นสารชีวิตนี้จะไม่เป็นหมันทรัพยากรชีวิตนี้ก็คงจะได้ผลเกิดมาเป็นคนก็ขอฝากไว้แล้วก็สร้างความดีให้เป็นมนุษยชาติเกิดมาเป็นมนุษยชนจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม จะได้สร้างความดีอันนี้ติดตัวไปติดจิตใจบันทึกหลักฐานเป็นตราความดีเป็นตราอันนี้จะได้มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีบทกรอนทํานองทำชีวิตนี้เราก็จะเจริญเองจะเสื่อมหรือจะเจริญอยู่ที่ตัวของท่านเองท่านจะทําให้เสื่อมไม่มีใครเลื่อมใสายไหนเลยเ่าใค ร, ครเขาเหล่านั้นจะเห็นด้วย ขอขอฝากไว้ในวันนี้โดยทั่วนากัรบางคนหินกับตัวก็ไม่ว่ากันใครทำใครก็ได้โยมก็มาวาระสุดท้ายลากลับยังได้มีโอกาสมาบางเพลงกุศลถาวายเป็นพระลาศกุศลให้ดวงวิญญาณดวงพระวิญญาณของชมเดชสีนักลินบรมราดทราทัศบุรมรา ด, รลลาดาชาุนนีคือชมเด็ดยกย่าตมาไม่ขาด คนจากจะไปไกลจะกลับมาไม่ทันเท่านั้นยิ่งอยู่ที่นี่จะไม่ขาดถวายพระพรชัยมงคลให้สมเด็จมาบอพิประหาชุม่มพานเจ้าผู้เป็นประมุขผู้มีพระคุณอันสูงสุดโดยที่พระองค์เนี่ยสงพระคุณอันประเสริฐแล้วล่ำเลดทุกประการแล้วเราก็เป็นถวายเป็นพระราชกุศลถวายชัยมงคลท่านทุกวัน ตลอดกาลเวลาเราก็ได้บุญเองใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องว่ากันใครทำใครได้นใครไม่ทำก็ไม่ต้องได้เป็นของตายตัวของใครอยู่ในตัวเองอย่างนี้เป็นตน้นข อ, อน ม, มุทนาสาธุการฝากท่านทั้งหลายปัจกุบานสร้างความดีแก่ตัวเองเถอแะแต่ความดีเนี่ยคงจะไม่ไร้ผลหรอก ความดีจะติดตามตัวไปนาบุญก็จะได้ไปเป็นความสุขอย่าไปสร้างเงาบาปเงาบาปมันก็ตามตัวไปเดือดร้อนไม่มีพวกพรองพี่น้องแต่ประการใดจะไล่สาระในช่องโคมของขุนถาเป็นทีนาที่ได้มากขอขอฝากไปบุกคาตั้งใจทำปฏิบัติธรรมะให้มีความเห็นอยู่ในจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน ขอท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรโดยทุนากันและจงเจริญไปด้วยอายุวันนะถูกคาพระละปฏิภาณาศรราสนาทสนบาทนึกคิดยังมีประการใดชมความมุ่งมา่รารนาะโดวการทุกลูกทุก น, นามนาโอกาสบัดนี้เชิญ สัพพโลข้วินิโมตสัพสันตทตัวสัพขเวลามติกาตัวเนียมผุดตัวภวสับเพียริโยวิวาจันตุสาม อุตคาโปคาปะปะปะจาวิถ um ินาอาปะทาตุเมอุตคาทาทินาทิมนาปันดาปะอินกตาอุปปิกาสิ สัญญตาปรามาจาลโนอาตาังโะนาติโกรมาวังโสเมียตโอนุปัตโตปัตตังในยงเอตังโนสลมารวอิยธรรม โตนลอิเทวานังปะสังังิเปนเกปาโมจตีติปวาตัว ต, ตุจัมตระลังราัมตุจัมจม์เวตาจัทธรรมานุปัเวนตาุกวันตุเทวตุเเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติทำพระกรรมฐาน ทุกวานละเวลาที่เราจะกรบาบนรมชการลากรับไปก็มาต้องทำพิธีขอกกยกรรมขอโอโหสิกรรมในโงรงโบสถ์นี้เนะี่ยเมื่อเราได้มีโอกาสดบได้บาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชนีพระกุศลดวงพระวิญญาณทมเด็ดยา่าทุกวันไม่ขาด อ่มการทั้งปิศุก ส, สองเทรานุเทระไม่จำเป็นเราไม่ขาดอ่อจากนั่งนั่งบำเพ็ญสมาธิแล้วก็กล่าวอนุโมทนาถวายเป็นผระดั่งกุศลแต่สมเด็จมหาบทพิภพพระดชุมพานเจ้าร้องราชสมบัติครบ5้าิบแปพันษาทําทุกวันตลอดมาไม่ขาด ป 8, สองพันร้อยสามสิแปดวธรรมจักรถวายวันที่เก้าทุกวันที่เก้าตลอดมาได้หนึ่งปีแล้วก็จะถึงวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพนร้อยสามสิบเก้าก็จะครบที่เรากาหนดได้ถวายพระพรชัยมงคลสวทพระธรรมจักรถวา ย, วายทุกวันที่เก้า ตลอดมาตามอันดับได้ญาติโยมพุทธบริษัต์ทั้งหลายเราก็มาบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลวันทุกท้ายจิ่จะลากลับไปนั่นเราก็ได้บุญในกุศลนี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมเราเพียงตั้งใจเราก็ได้บุญแล้ว ท่านตั้งใจจะสร้างบุญให้เกิดความสุขเพียงตั้งใจไว้ท่านก็ตรงได้เพราะได้ด้วยความตั้งใจได้ด้วยการทำและปฏิบัติตรงนั้นจะเป็นประโยชน์ท่านมิใช่น้อยจะเป็นท่านผู้ใดใครที่ไหนก็ตามถ้าท่านมีกุศลและจิตศรัทธาความเชื่อความมั่นใจในตนแล้วก็จะได้ประโยชน์แต่ท่านทั้งหลายเองอันนี้เป็นผลได้ ห ม, มายความว่าทาบุญนี่จะไปเอาในชาติหน้าแต่ประการใดเราเพียงตั้งใจเฉยเฉยวาสวดมรจรงกุศลภาวนาสวดธรรมจักรถวายทุกวันที่เก้าตั้งใจมั่นคงว่าจะถวายเป็นผลาจกกุศลกระตูปัจชัยทานถวายเป็นทุนมูลิธิชัยพัฒนาของพระองค์ท่าน ตันนี้เราก็ได้แล้วยังไม่ได้เอาเครียมไปถาไวายเลยระบาทุนเด็ดไปจะอยู่หัวต่างกอมีพระไทยน้ำใจศรัทธาเอามูนิธิดอกผลทุนไทยพัฒนามาถาวายเป็นกระถุกกสารที่วัดนี้มาตอนน้ำท่วมร้อยกาวสุกระสอบถาวายไป แ, แล้วนี่แหละบุญเห็นทางตา ยังจะตั้งใจยังไม่ทําไปไปายยังไม่ทันเอาไปถาวายเราก็ได้แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นบาบาตเหน็บจะอยู่หัวมีพระรจะศรัทาาเนี่ยพระชัฐทานทั้งอาทานมาไปครั้งที่ห้าทุกวันศกตอนเดือนครั้งที่หกก็าสารกาวสารห้าสิบประสอบ วันที่ 7, เจ็ดอากศาร้อยสื่สิบประชอบครั้งที่แปดวันที่เก้าปุ่มพาพันธ์เหลืออีกีไม่กี่วันแหละในวันนั้นเราก็ต้องเจริญพระธรรมจักรตอนบา่ายถึงค่ำถวายเป็นพระราชกุศ์รวมปัจจัยแม้แต่สตังเดียวก็รวมไว้ต่างใจมั่นคงลำลงสะาด ลาธนาที่จะได้ถวายเป็นพระกุศลทุนชัยพัฒนาของประเจ้าอยู่หัวเราองค์ได้ทรงเนือเย่าพระวรกายมาเป็นถึงห้าสิบประปัญชาเพื่อพัฒนาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรมาจนถึงทุกวันนี้เราก็รวมได้แล้วเมวื่อวันเช้านี้เขาก็มาเชนเชคหนึ่งแสนถวายทุนชัยพัฒนา ก็รวมได้แล้วล้านถื่อแสนแล้วก็ได้มืวันซื้อหนึแสนเป็นล้านห้าแสนแล้วก็จะถึงวันที่เก้าเราต้องได้สองล้านเทิญขอประการถ้าอยากพี่น้องได้ทราบโดยชันน่วนากันนี่แหละบุญเห็นทานตาไม่จ้องไปเอาในชาติหน้าหรอกชาตินี้เห็นแน่ๆแต่เราทําบาปก็เห็นในชาตินี้จะได้รับกรรมเป็นกดแห่งกรรมด้วยกันทางนั้นนี่แหละท่านพี่น้องที่รับ ดีชั่วประการใดอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดการเจริญกรรมฐ า, านนี่สูงสุดในบรวนนรพรนะพุทธศาสนาทานใครก็ทําได้บริจาค ก, กันได้เยอะแยะไปจะถูกปัจจ่ายบาทรสองบาตก็บริจาคได้แต่ศีลไม่ค่อยมีใครรักษาศีลไม่ค่อยมีใครบำเพ็ญตรงนี้เรื่องสําคัญสาหรับชาวพุทธบริจาคทานกันง่ายที่สุด เชื้อชราอันใดไปทําบุญวัดโน้นออกวัดนี้ก็ได้ช่างนั้นไม่มีใครห้ามศีลาเจรวัดคือศีลที่เราไม่อยู่แล้วนั้นไม่เคยออกมาใช้เป็นประโยชน์เลยนี่ครับคนไทยเราขาดศีลขาดทำขาดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในชีวิตของท่ทานมากอยู่ตรงนั้นแต่ศีลดีแล้ว แต่ก็ยังไม่เท่าภาวนาภาวนาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาแลวแต่ทุกคนทำไม่ถึงศีลไม่ถึงภาวนาไอ้วริจาคทานก็คใครก็ทำได้แค่ทานแต่แค่ศีลเนี่ยยากมากทำไมเรียกว่ายากขอเจริญพรยังต่อไปนี้เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาชนิดมีงานสาธนานพิธีก็ต้องรับศีล รับให้มีสติปัญญาแต่แล้วคนไทยชาวพุทธรับสินกันมากนะ่าหลายตารับแล้วก็ไปฆ่าซัรับแล้วก็ไปเบียดเบียนาับเขารับแล้วก็ไปล่วงประเวณีหน้าบาดซื้อในี่ช่งโคมมากมายไก่กองรับแล้วเราจะไปโกหกโอวาทพูดเท็จซอเทียําำยาเพื่อเจอกันมากนะ่าหลายตาขึ้นห้วยลงเขากันเยอะ รับแล้วยังไปเดิมสุรายาเมาดุดสืดเสพยาติดเสพติดนี่หรือชาวพุทธนีนะ่ใครรับศีลใครก็รับได้เอาตากรับแต่จิตไม่ยอมรับทำไมจึงจะจิดจะยอมรับได้ต้องเจริญภาว น, นาให้จิตมันมั่นคงเมื่อจิตมั่นคงใลหลับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะ เห็นจะไม่แปลผันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพักแน่นอนออกมาทํานองนี้เป็นต้นเราจะรู้เห็นเป็นใจได้เลยว่าคนที่มีภาวนาจะมีแต่เมตตาจะมีแต่ความขยันหมั่นเพียรจะเป็นเด็กนักเรียนก็เพียรขวนขวายการศึกษาเล่าเรียนวิชาการก็ขยันขึ้นมันมีประโยชน์แก่การศึกษาเล่าเรียนวิชาการมากมายกลกอง ออกมาอย่างนี้เป็นตอนมีความหมายนอกเหนือจากนั้นแล้วจเจริญกุศลภาวนาตาบุตรธิดาองท่านดูหนังสือสามครั้งเรียกว่าภาวนาดูหนังสือครั้งเดียวเรียกว่าดูหนังสือพิมพ์ไม่ได้ผลดูครั้งแรกในเรื่องอะไรอ้อนีนเรื่องพระเวชชันดอนวรรณคดีที่เขาเรียนศึกษาการดูซ้ําเข้าไปอีกครั้งสองให้มันจบถึงจะรู้ว่ามันมีกี่ตอน มันมีสามสิบสามตอน13บสามกันดูชาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเป็นภาวนาจะรู้ว่าเชื่อมโยงตรงไหนมีเนื้อหาสาราประการใดแกนสารเป็นยังไงก็จะรู้เข้าใจนี่แหละคือภาวนาแต่เรามานั่งสวดมนต์ไหว้พระทำให้มีสติทำให้มีสมาธิในการสวดมนต์สาธยายมนต การสวดมนต์นี้ไม่ใช่ว่าพระคาถาให้มีฤทธิ์เดชเดชชาวในภาพมันต้องหลายจะเป็นพระสูสงองค์เนรหรือใครก็ตามเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นเราต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวัวนละสงครั้งตอนเช้าก็เข้าฝ้าเ พ, พื่อฟังโอวาทตอนเย็นก็ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครมาฟังไม่ใครคํามีใครเข้าโบสถ์กัน มาจังสวดชัดใยดยจะประการใดจะถามสวดของเราที่เราสวดจะไปนั้นเป็นธรรมะเป็นปัจฉิมโอวาททางตุท้ายจังสวดมนต์ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นอันตถาเนี่ยพิโวอามาันแตยามีูอขยวยยะธรรมมาสังขาราอะปมาเทนะจำปาเทขาตีนี่เราต้องสวดทุกวันเกื้อความไม่ประมาทชีวิตเป็นปัจฉิมโอวาททางตุทายของพระพุทธเจา้านี่ชัดเจน เราต้องการให้มีสติเราพุทธเจ้จาเราจึงเดินหันไปหาพระอานนท์เสียนุชาก่อนที่เสด็จดับขันปณิพานเป็นปัจฉิ ม, มโอวายครั้งสุดท้ายนี่แหละอานนท์สียนุชาช้งขานกำลังเสื่อมลงไปแล้วช้งขานหมดสภาพแล้วค่อยๆเลี่ยมแล้วก็ค่อยเสื่อมไปแล้วก็จะหมดไปใที่สุดตังหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทเลย พยายามสร้างความดีต่้งแต่บัดนี้เป็นตน้นไปนี่จะเป็นปัจฉิ ม, มโอวาทครั้งผู้ทายของพระพุทธเจา้าเรามาสวดมนต์ไหว้พระกับองการตรงนี้เนี่ยต้องการมาเฝ้าพระพุทธเจา้าของเราพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันประนีรประนอมแต่ยังฝากศาสน า, า, าทำทางสอนไว้แก่พระสงฆ์พุทธบริษัทออุบาสกอุบาสิกาท่านฝากไว้แต่เราก็เอาไปทอดทิ้งใช้ ไม่ต้องเข้าวโบถวดม้อนเย็นก็ไม่ต้องเข้าวโบถวดม้อนแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ศาสนาที่คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนการอย่างนี้เป็นต้นการเจริญภาวนาตั้งสมถะกรรมฐานอุตตรชนากรรมฐานทางสอนประการอุบายวิธีทํำจิตสงบก่อนเป็นขั้นตน้น ในมาจิตสงบแล้วเราก็เอาสติยัดเข้าไปมีสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ทัวรู้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ปลายรู้กาลเท释迦กีจะลณ那จะได้รู้บาปลู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้ามาในสิงในจิตใจนี่แล้วมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ภาวนาภาวนานี่สวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวนี้คนไทยชาวพูดสวดมนต์ไม่เป็น รัตธนาศิ์ก็ไม่เป็นรัตธนาธรรมก็ไม่เป็นถวายทานก็ไม่เป็นต้องเอาคริสมาช่วยรัตธนาศิงการมากมายที่อยู่ตามโรงเรียนที่เขาไปฝึกปฏิบัติกันนั้นก็มีประโยชน์แก่พวกพรีบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญประโยชน์ของเขาเองอันนี้ขอเจริญพอรอย่างนั้นการสมถะแปลว่าศึกษาชีวิตการข้อคริสให้จิตสงบ เป็นการศึกษาร่างกายชั้งขาเจตษาโลมานาคาทันต า, ต, าตัตาโตตโตทันตานาคาโลมาเกษาในสมาธกรรมฐานหรือวิปัสนาก็ต้องลงกรรมฐานทั้งนั้นแต่สมาธิเป็นการศึกษาชีวิตเป็นการต้องให้คอดคิดให้เรามีสติปัญญาระลึกแผลดอนนั่นคือวิปัสนากรรมฐานขันห้าลูกน้ำเป็นอารมณ์ถึงจะถูกต้อง แต่เราปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นวิปัชนาไม่ไยายกมันจะเป็นสมาธายึดเหนี่ยวอารมย์ยึดบัญญัติเป็นอารมณ์ไว้ก่อนเพื่อเป็นการศึกษาแสวงหาความรู้ของจริงตามได้ของจริงเนี่ยเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปแพร่ปวนเปลี่ยนแปลงแป ร, แปรผันไปตามสภาพของสภาวะธรรมนั่นแหละถึงจะเป็นวิปัชนาได้ตอนหลังตอนต้นก็เป็นเพียงสมถะสุญืนหนอห้าครั้ง นั่นก็คือตัาจ่าปัญญากรรากามาฐานชัดเจนเราจะไปบอกเตจ่าโลมานาคาทันตาต่าโตต่าโตทันตานาคาโลมาเกจายร้อยปีก็ไม่เด่ถนถอนไม่เด่ถนถอนก็ตั้งสติวัดดีศรีศรษะลงปลายชาเบื้องบนปลายชาขึ้นมาเบื้องตามปลายผมลงไปก็มีสติอยู่ก็เจิตทาให้เรามีสติปัญญาบาเราดูนี้สติปัญญาจะรู้ว่าลจิตของเร า, าอารมณ์เป็นอย่างไร เราเข้าใจอารมณ์แล้วเราจะเลยรู้อารมณ์คนอื่นบ้างเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาคนนี้เดินมานี่ใส่ไม่ดียบคนนี้หัวขาดจะตายไม่เคยพลาดไม่เคยผิดเลยแต่ท่านปัญหามันอยู่ที่ท่านทําได้ไหมทําได้หรือไม่ได้ประการใดอันนี้เป็นหลักสาคัญทางต่างชาติต่างศาสนาเขาทําได้เยอะเบลเลี่ยมนี่โรงเรียนวิชาลัยเทคนิคมินบุรี มาปฏิบัติทำที่นี่มีอิสลามยี่สิบสองคนต่างใจปฏิบัติอย่างนี้เลยนี่ทีเราก็ให้เขาเนี่ยอิสลามถือศีลอดกลางวันไม่รับข่าวรับข่าวคืนต้องทําให้เขาทําอาหารอิสลามให้ด้วยแล้วเขาก็ต่างใจปฏิบัติดีด้วยอย่างนี้ตลอดมานี่เนี่ยต่างชาติต่างภาษาว่าพุทธเจ้ามายลังเทียบ อยู่ปฏิบัติธรรมจะเป็นมนุษยชาติมนุษยชนคนที่ไหนก็ตามต่างภาษาก็ทําได้ไมาจํากัดเพศมาจํากัดวยัยจะเป็นเด็กก็ได้เป็นหญิงก็ได้เป็นสาวเป็นหนุ่มก็ได้จะเป็นอายุวยัยสูงแค่ไหนก็ทําได้ทั้งนั้นแต่ปัญหามาอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นกิจกา ร, รมของชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธเราเกิดในเมืองไทยอูดมอูดมสมบูรณ์สมบูรณ์เลยผักข้าวปาล์มน อาหารการบริโภคทุกประการประกอบพุทธลัมากลากไม้ข อ, อุดมสมบูรณ์อระมาไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วอะไรจะอุดมสมบูรณ์ถ้าประเทศไทยไม่มีเลยก็มีอุดมสมบูรณ์ที่ลึกซึ้งไปอีกก็มีธรรมะมีศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราที่แท่พระขยายให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกชนิดแต่เสียดายคนไทยไม่สน ไม่สนใจปฏิบัติธรรมการประการใดขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยที่เรามาเจริญกรรมาฐานก็ต้องการตรงนั้นต้องการให้มีสติมั่นคงต้องการให้มีสมาธิจับปลูกงานอย่าทิ้งงานและหน้าที่โปรดรับผิดชอบของตนเองการรับผิดชอบของตนเองเนี่ยเป็นการสร้างสาสมบุญให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร อ, อยู่ในจิตใจและในครอบครัวของตนเป็นตน้น ไม่จะมีประโยชน์กับท่านเองไม่ใช่เป็นประโยชน์คนอื่นพอได้พอเสียอยู่ในท่านเองจะเป็นพ้าสงฆ์องค์เจ้าหรือจะเป็นคลาวาที่ไหนก็ตามถ้าปฏิบรรัติรามต้องมีเมตตาต้องขยันไม่มีขี้เกียจทำกิจวัตรไม่พักงอกเหนือจากนั้นจะไม่ขี้โกงจะไม่ขี้ฉาจะไม่ขี้ฤิทธะยแต่ประการดตรงนะั้นเป็นจุดสาคัญแต่หน้า หน้าบำเพ็ญให้เป็นไปตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แต่เราเนี่ยไม่ทําตามคําสอนเบี้ยวบูดเพี้ยนกระจามากแล้วไม่สนใจที่จะสร้างไม่สนใจที่จะทําไม่สนใจที่จะช่วยตัวเองได้พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากแต่เราไปเบี้ยวไปบูดกันเองกสอนว่าอัตตาที่อัตโนนธอตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตอนตนเป็นที่พึ่งอย่างไรต้องช่วยตนให้ได้ กองพึ่งตอนให้ได้กองสอนตัวเองให้ได้นี่เป็นหลักปฏิบัติอ่าเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วสอนตัวเองไม่ได้แล้วไม่น่าจะเกิดมาทําไมเกิดมามีกรรมเกิดมาทําอะไรอ๋อเกิดมาสร้างบุญให้เกิดความสุขใช่หนี่กรรมเก่าให้หมดไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ต่อไปเลยนี่ชัดเจนมากทำทั้งหลายเอ๋ยแต่คนเรามีหลักทำกรรมสอนพิจากณาอ่อนน้อมทําตน บางคนปากล้าขาแข็งกระดางคางแข็งไม่ใช่นักธรรมะผู้มีธรรมะจะอ่อนโยนอ่อนไหวตลอดเลยการอ่อนด้วยมารยาทวาจาก็บเราะเพียงอ่อยตารหวานเงี้ยึ้งสาบลมปากหวานหูไม่ดูหายจะออกมาให้เขาดูกันในชาติเป็นรูปแบบของสังคมเป็นประโยชน์ต่อสาธุรชนและบุคคลที่ละร่วมมิตรกันนั้นอันนี้มีประโยชน์มาก คนที่ไล่ทำะดูได้รู้ภาคปฏิบัติอย่าไปดูว่าหมาพูดเก่งหมาจําได้เลยระสูตรพระมีนายก็ว่ากันไปแต่ไม่ปฏิบัติเลยกลายเป็นคนรู้มากไม่เป็นความรู้จริงแต่ประการใดคนรู้จริงทําอย่างไรต้องปฏิบัติได้ทําได้รู้จริงต้องทําได้รู้จําต้องท่องได้รู้แจ้งเห็นจริงต้องคิดก่อนพิจารณาด้วยสติปัฏฐานสีใช้สติใช้ปัญญาก่อน ก็คือการเจริญสติปัฏฐานถือต้องการให้มีสติไปยึดเอาไปยัดไว้ที่เราความคิดคิดอะไรก็ตั้งสติไว้จะทำอะไรก็ตั้งสติไว้จะทำอะไรก็รู้ตัวไว้ว่าทำถูกต้องหรือไม่ประการใดมันจะมีประโยชน์แก่ท่านเองไม่ใช่มีประโยชน์กับคนอื่นแต่ประการได้อันนี้เป็นความหมายมากและการเจริญกรรมฐ า, านต้องการตรงนั้น แต่เรามาทําการจิ้นจิ้มจําๆมันจะได้อะไรก็ขอให้ทำตลอดไปชีวิตนี้มีกัมสารชีวิตนี้มันมีค่าเหลือเกินอาจานจเจริญกรรมาฐานท่านจะรู้ว่าชีวิตท่านมีค่ามากเวลาที่มันหมดไปแล้วมันเป็นเวลาที่มีประโยชน์ควรจะทําอะไรบ้างควรจะแจ้งชัดอะไรบ้างควรจะเอาอะไรมายัดนี่เนี่คนเราใช้เวลาไปไปไม่ไปเรื่องไปราวธรรมก เวลาก็ลังรอยไปหมดเวลาก็หมดไปชีวิตก็หมดไปตามวันเวลาด้วยไหนเลยละประโยชน์สุขในชีวิตท่านจะมีอะไรเหลืออยู่ในชีวิตท่านบ้างอาจจะไม่มีเลยการเจริญสติปัฏฐานสีกายานุปัฏนากายจะทำอะไรมีสติทุกคนเราต้องการสองประการนี้กายมีสุขแล้วก็จิตมีสุขกายก็ไม่ทุกขจิตก็ไม่ทุกไปด้วย แต่พระพุทธเจ้าสอนก็จริงนะสุกกาสุขใจควาที่สิกาชิกิตรูปกนามน้ำขันห้าเป็นอารมณ์แต่พระพุทธเจ้ายังเสริมเพิ่มเติมไปอีกอะไรชู่จิตไม่ได้จิตเป็นหัวหน้าที่จะต้องทํางานมโนบุกทางคมาธรรมามโนเศรษามโนมยาจิตเป็นผู้นําาจิตไม่ดีมันก็นําไปทางชั่วจิตดีมีปัญญาก็นําให้เราไปเสริมสร้างความดีต่อไป ออกมาอย่างนี้ชัดเจนนะอยากจะได้ผลออกมาจากผ้าปฏิบัติไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไม่รู้เหนือลูไตนะอยากจะไปสวรรค์อย่าไปานิทานได้อย่างยามที่พกแล้วก็ได้เป็นพระโสดาไม่ใช่ต้องอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนพื้นฐานของมนุษย์สยชนมนุษยชาติได้แต่มนุษยสมบัติเรามีปฏิบัติแล้วมีสิ่ดีแล้ว ม, าามีกัลยาณมิตรมีกัลยาณธรรมแล้วนั่นเนี่ยถึนจะเป็นมนุษย์ สมบัติสมบูรณ์แบบเรายังเป็นมนุษย์บกพร่องกันมากหบกพร่องกันมากแล้วไหนเลยเล่ทาท่านจะไปสวรรค์ได้ท่านจะไปนิพานตามว่าสอนไปนิพานจนหมดสอนไปสวรรค์แต่ความเป็นมนุษย์ต่ำต้อยถอยหลังหลงครองไหนเลยจะเอจน้าตขึ้นสู่สวรรค์ได้ก็คงจะเป็นไม่ได้การเจริญพระกรรมาฐานพื้นฐานของมนุษย์ต้องการให้เก็บเล็กผสมน้อยให้เป็นมนุษย์ให้จงได้ ไอ้ตนมุดบอดีสดเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ไม่ใบสุดธิ์กันบกท่องกันมากมายในเรื่องมนุษย์นี้นะ่ะเป็นคนก็คนไม่ทั่วปากก็โล้นกวงก็รั่วไหลออกไปนาะนาประการไหนเลยลจะมีคุณสมบัติอันนี้อยู่กับตัวท่านได้แต่คงจะไม่ได้แล้วเนีนะ่ท่านพี่น้องที่รับทุกท่านมาเจริญกรรมาฐานนั่นต้องการตรงนี้นะไม่ยไม่ต้องการตรงอื่นถ้าทำทางความดีนะ จิตใจจะสะอาดบริสุดแล้วจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยก็ขอฝากญาติพี่น้องไว้ด้วยจะมีความคิดประดิษ์สร้างสารนเริ่มเงินเงินทานทีแต่อย่าลอ้อลียนกับรกรรมใดนี่ขอฝากอนุโมทนาสาธุ ก, การณกิจธรรมหลายไว้ด้วยจเจริญกรรมฐ า, านทําให้จิตมั่นคงทําให้จิตเป็นกุศลจะทําอะไรก็ได้ผลมีเมตตาปราณียลีเอื้อเพื่อข้าเหลือขอดูกันในสังคมต่อไป จะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยข็ขอฝากท่าน ห, นหลายๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยจะเป็นประโยชน์กับท่านเองกาเล่นกรรมฐานตัวนี้เนี่ยพระที่มาบวชกันนะ็่อนจะโหมผ้ากรราสวพัดการอุปชาจะให้ผ้ากรรมฐานจะให้ผ้ากรราสวพัดต้องเรียนกรรมฐานก่อนจ้องเรียนตำราคนคิดให้เป็นมนุษย์ก่อนถึงจะบวชได้อุปชาท่านว่าอย่างนั้นผูกกรรมวาใจเราต้องถามอีก มนุษย์โสดที่เป็นไม่เป็นมนุษย์บวชไม่ได้มันทําให้วัดวาอารามยุ่งยากหุนวายกันในสังคมเอาเดรฉานมาบวชกันเอาเปลตมาบวชกันมันถึงรุ่งอย่างถึงตัวเป็นมนือก็ตาก็ต้องถามสอบซ้อมสอบถามซักแล้วซักอีกพระพุทธเจ้าสอนดีแต่เราไปทําอลัชชีกันเองมันเกิดประโยชน์ผลปีตนแต่ประการใดมีจุดมุ่งหมายอันนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตาม คนต่างหลายมันเจริญกรรมฐาน ถ, าถ้าจะมีปัญญาแก้ไขปัญหาจะได้หลากหายประการหนึ่งระลึกชาติตัวเองได้ก็ได้รู้ว่ามาปีกาเนีย่ยกินเล่ามากหรือเล่นการพนันมากประการได้นี่รู้ชาติอย่างนี้ถีอแดงคือชาติถือขาวคือประสาทหนาที่ น, น้าเนินหน้างหาคือมหาจักรพงออกมาอย่างนี้เป็นตอนมีความหมายชัดเจนนะขอสาบไหวในแม่นี้ลูกอดแห่งกรรม เวลาเราทำเวงกรรมอะไรเราจะได้แก้ไขปัญหาของเราเองเราต้องแก้ตัวเองแต่กรรมเก่าก็ต้องรับใช้กรรมานใชัมาหมดแล้วลดความลดทนลดหกักโลดแตกลงหามลงเหวไปหกครั้งไม่ต้องใช้เวงใช้กรรมตลอดเลยการเราถึงรู้กดแห่งกรรมขึ้นมาจาะ ก, การที่สามเกิดปัญหาเฉพาะหน้าจะได้แก้ไขปัญหาได้ทานท่วงทีไม่ล่อลีา ก, ก, ากับกรรมดใดขออนุโมทนาสาธุ ก, การแก่ท่านทั้งหลาย เพื่เรามาจเจริญกรรมาฐานจะลากลับไปขอให้มีโชคชัยไปลามาไหว้นะก็ต้องโอโหจิกรรมโอโหจิตกรรมทึ่งกิจการขอโอ้โหถือต่อรัตนะชายต่อคุณครูบาอาจารย์เป็นต้นเราไปแล้วจะน่ามีมีเวงกรรมจิตตัวไปขออาณาโมทนาทอย่าทั้งหลายได้ผลได้สม่าปัถนากลับไปแล้วกว็อย่าเป็นความฝันผ่านมาวันภาวันเพียง7วันก่อนนึกว่าเป็นความจรงิงในชีวิตทั้งท่านต่อไปเชิญ ท่าจะประเสริฐในครอบครัวของท่านต่อปายขำใจสะอาดบริสุทธิ์อาท่านใจสะอาดเมื่อนายท่านจะมีบุตร ธ, ธดาก็นักปราบมาเกิดอาใจโชคก็โผล่จากนรกมาเกิดในตัวท่านเสียงกอดเที่ ย, ง, ยงแม่คํำมาปกป่าเที่ยงครูบาอาจารย์เป็นต้นนี่สรุปใจความท่านทั้งหลายเจริญกรรมฐ า, านก็ขอให้ได้พ้นเสริมค่าปัญนาไม่ต้องหวังผลเลิศไปเอายาที่พกเติมปโสดาวกัน อธิบายยานกันล่ำํำพามไปเอาแค่มนุษย์สมบัติราชวัลก็จะมารอเพื่อจะต่อไปที่นิทานขอที่แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาแล้วแตบนรียนประโยชน์แท่านทั้งหลายขอความสุขสวัสดีกับัุมมีแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยอายุวันนะถูกขาพละปฏิพานถนสัสามสมบัตินึกเท็จสิงประการได้ชมความมุ่งมาสัตย์ส ง, ง่าด้วยการทุกข์ก ท, กทุก น, น้ำน่าโอกาสบัดนี้เชิญ จัพพโลคเาวิณีมรตสัมภารันทางภวติจอสัมปรเวลามาติดกานตนบุตรจะจุวังประวัติียทติยนจันตุกรรมบารโอมกุยนานกัสุมาเตน สลายโยตุกยโกอมวาิวจนาเสยเนสามปจายนอนจัดตาลสีอายุวันโสุขาา ให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งถ่านั่งสมาธิค่ะสัตเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวณแก่กันและกันเลยอภัยยาปรชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ชยาบาดเจ็เรียนซึ่งกันและกันเลย อภิ น, นคาจงเป็นสุขเป็นสุเธออย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกใครทั้งสิ้นเถอ ช่งพระเพียรเปนมือค่ะสีทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตรโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพาเจ้า ขอให้มาดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ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 แก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทงังจับพระเปตานังโหตุสุกิตาโหตุจับเทเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรดทั้งหลายขอให้เปรดทั้งหลาย